หันอยู่ที่ใจรู้จักกับมนัสคุณมนัตเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูอาจารย์รุ่นก่อนหน้าผมเล็กน้อยบ้านและที่ทำงานอยู่ถึงมหาชัยไปกลับเพื่อกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกวันที่ท่านมาที่สวนแสงธรรมและหากคิดถึงท่านจะร่วมกับพี่กรมหรือคุณชาณรงค์แดงกูลจากบทความก่อน ในเรื่องทหารเรือผู้ไม่มีวาสนาคุณมนัสกับพี่กรมจะร่วมเดินทางไปวัดป่าบ้านตาดอยู่บ่อยๆทั้งสองคนอายุรวมกันเกือบร้อยหปีหย่อนอยู่เพียง 2-3 ปีสองผู้เฒ่าขับรถไปด้วยกันไม่มีโอกาสอำนวยว่างจากงานที่ทำไปกราบท่านและถือโอกาสพักผ่อนทำสมาธิเดินจงกรมที่วัดมนัสเป็นคนเงียบๆไม่สุงสิงกับใคร ดูแลท่านเสร็จก็กลับไปที่บ้านที่มหาชัยทำเช่นนี้ด้วยความสม่ำเสมอตลอดมาไม่เคยขาดเช่นเดียวกับเหลี้ยงและพี่หม่อมตลอดจนสิบอื่นๆมนัทเป็นคนไม่ค่อยพูดหลายคนจึงเห็นว่าดุที่จริงแล้วเป็นคนเงียบมากกว่าความที่เป็นผู้ใหญ่อายุมากแล้วจึงเป็นคนเงียบตามวัยมนัทมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองและแม่บ้านมากมาย หากพวกเราเห็นชายไวยชราดูแลรับบาจากพระหรืออยู่ใกล้องหลวงตาคอยรับพรและทำบุญกับหลวงตาตลอดใจคอนิ่งเฉยสงบเสงี่ยมนั่นแหละมนัตเรื่องสั้นๆที่นำมาลงในที่นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าพบกับมนัตและคุณเพียรใจได้อีกในเล่มต่อไปหลวงชื่อคุณหลวง ระหันอยู่ที่ใจโดยคุณมนัตเมื่อพอศสอ1 0ผมมีโอกาสได้ไปกราบหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดผมชอบเข้าหาพระชอบเข้าวัดตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กเมื่อผมอายุประมาณ14ปีได้ไปกราบท่านอาจารย์ประทุนศิล์อยู่ที่วัดบางโพรัส ซึ่งเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานให้กับคนกรุงเทพและคนมหาชัยแม่พาผมนั่งรถไฟไปที่วัดบางโพรัสซึ่งอยู่ฝั่งท่าฉลอมเป็นประจำในยุคนั้นเขาเรียกกันว่าไปขึ้นกรรมฐานนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานผมได้นั่งวิปัสสนากรรมฐานสืบมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อผมอายุประมาณ30ปี ตอนนั้นผมยังไม่มีโอกาสได้พบหลวงตามาหาบัวมาก่อนเลยจนกระทั่งผมได้ขับรถไปทำบุญในช่วงตรุษจีนที่หนองคายระหว่างทางมีโอกาสได้ไปกราบพระตามวัดต่างๆเช่นหลวงพ่อมหาวีระหรือหลวงพ่อหรือศีลิงดำหลวงปู่เทศเมื่อกราบพระตามวัดต่างๆเสร็จแล้วก็ตั้งใจที่จะไปกราบหลวงตาด้วยตอนนั้นภรรยาของผมได้ไปหาหลวงพ่อปริม จึงได้รู้จักกับครูอุไรและครูอุไรก็กําลังจะมาหา ห, าหลวงตาพอดีพวกเราจึงมาด้วยกันซึ่งสมัยนั้นทางเข้าวัดป่าบ้านตาดยังเป็นถนนลูกรังสายเล็กๆและกําลังมีการสร้างถนนลาดยางอยู่แต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยวัดยังเงียบอยู่และผู้คนยังไม่มากนักผมไปกราบหลวงตาครั้งแรกนี้ไม่ได้พบเพราะท่านอาพาธอยู่ได้พบแต่ท่านชัยนรงค์ ซึ่งเป็นพระเวรท่านชัยนรงค์ได้บอกกับผมว่าท่านหลวงตาอาพาธผมจึงไปนั่งรับประทานอาหารอยู่แถวหน้าวัดเสร็จแล้วจึงเดินทางกลับบ้านพอพศ2 อ, อ2 6ท่านหลวงตาได้มาที่สวนแสงธรรมผมได้ทราบข่าวมาก่อนแล้วจึงตั้งใจจะไปใส่บาทท่านและเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้พบท่านซึ่งตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนรู้จักท่านซักเท่าไหร่ เมื่อพอสอ2 7ผมได้บวชพระฝ่ายมหานิกายอยู่กับอาจารย์เชยซึ่งตอนนั้นท่านน้อยก็เพิ่งบวชเป็นพระใหม่ๆพูดถึงหลักความเป็นจริงแล้วผมตกอยู่ในกระแสธรรมมาตั้งแต่ผมยังไม่ได้บวชแต่ผมเป็นคนที่ไม่ศรัทธานในพระองค์ใดง่ายๆจะดูที่การสั่งสอนและกิริยาท่าทางของท่านพอได้มาพบกับท่านหลวงตาได้ฟังการเทศสั่งสอนของท่านก็รู้สึกว่าลงใจในตัวท่าน ไม่สงสัยท่านเลยสังเกตกิริยาท่าทางของท่านแล้วช่างงดงามไปหมดทําให้ผมศรัทธาท่านวันหนึ่งผมได้ไปพักที่วัดป่าบ้านตาดและไปเห็นท่านกําลังตกมือเล่นกับหมาชื่อไอ้อ้วนในใจของผมก็คิดผิดพลาดไปว่าท่านเป็นถึงพระอรหันต์แล้วแต่ทําไมยังมาเล่นกับหมาอยู่อีกตั้งแต่นั้นมา ผมรู้สึกผิดอยู่ในใจกับสิ่งที่ผมคิดไม่ดีกับหลวงตาไปผมจึงอยากจะไปกราบขอโทษขอขมาท่านฉะนั้นเมื่อท่านมาที่สวนแสงธรรมผมจึงนำดอกไม้ทูบเทียนไปเพื่อขอขมาท่านผมขึ้นไปที่กุฏิของท่านและกล่าวขอขมากับท่านว่าผมมากราบขอขมาหลวงพ่อครับท่านจึงถามผมว่ามาขอขมาเรื่องอะไรผมจึงเล่าให้ท่านฟังเรื่องที่เห็นท่านเล่นกับหมา ท่านก็ดุบขึ้นมาทันทีว่าเห็นอย่างไรผมก็บอกว่าเห็นท่านตบมือปอบเปาะเล่นกับหมายอย่างสนุกสนานครับท่านบอกว่าเราไม่ได้เล่นกับหมาด้วยความคึกขนองเราไม่ได้ปลกบมือแต่เราตีมือเสียงดังปอบเปาะเพื่อดูใจหมาท่านได้กล่าวกับผมต่อไปว่าการที่จะบอกว่าใครเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา ในครั้งพุทธกาลมีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพวกเขายังไม่สามารถบอกได้เลยว่าในหมู่สงนั้นใครเป็นพระอรหันต์เพราะโดยภายนอกเหมือนกันหมดแค่มองดูอย่างเดียวไม่สามารถรับรู้ได้มันไม่ได้มีเครื่องหมายหรืออะไรบ่งบอกเอาไว้ผมจึงลงใจในตัวท่านว่าที่ท่านพูดนี้เพื่อสอนผมเรื่องพระอรหันต์เพราะดูกันจริงๆแล้ว กิริยาท่าทางภายนอกก็เหมือนปุถุชนธรรมดาแต่เป็นเรื่องของจิตต่าหากผมจึงเข้าใจรวมถึงเรื่องที่ท่านเป็นพระอรหันด้วยท่านได้สอนผมอีกเรื่องคือคาราวะที่บรรลุอรหัตผลถ้าไม่บวชหรือดำเนินชีวิตแบบอนาคาริกจะต้องนิพพานภายในเจดวันแล้วเรื่องนี้ก็ถือเป็นคติอีกอย่างว่าสิ่งที่ท่านได้กระทําและที่แสดงกิริยาบางอย่างนั้นออกมาให้เห็น ไม่ใช่ว่าท่านกระทาไปด้วยความขนองแต่โดยนิสัยของท่านแล้วท่านมีความเมตตาและโปรดสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าเรื่องนี้ผมไม่อยากเล่าแต่ก็ต้องเล่าเพื่อยืนยันให้ทุกคนที่ยังไม่ทราบได้ทราบว่าพระหลวงตาองค์นี้คือพระอรหันต์อย่างแท้จริงเพื่อให้คนที่เคยล่วงเกินท่านจะได้สังวรและสิ่งที่กระทานั้นมันเป็นบาปมหันต์คนเหล่านั้นก็จะได้ไม่กล้าที่จะกระทา ไม่จับจ้วงให้เกิดบาปนั้นขึ้นลงชื่อมนัสอ่านโดยโจโฉ